แต่วันนี้ก็เป็นการเย็นนะของวันอาทิตย์ที่สิบแปดในสายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดตั้งหลายยังไข้โคลนและพระพิจารณาต้องตามเปนจริงดังนี้ว่า ก็เพระเจ้าจ่ตรัสสอนให้เราได้เห็นว่าสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะหวังขึ้นสังขารจะให้เราเป็นสุขน่ะอย่าหวังสังขารที่เรียกว่าร่างกายนี้ก็ได้เวลานี้มันดีเราก็อย่าคิดว่ามันจะต้องดีตลอดไป เวลานี้มันตรงก็จะหวังว่ามันจะต้องทำให้เราตรงตลอดไปคึ้นไว่าร่างกายนรือว่าขันห้าเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยเวลานี้อารมณ์ดีก็ยหวังว่าอารมณ์มันจะดีตลอดเวลาคิดเป็นไปคิดดีตลอดเวลาไม่ว่จะเป็นรูปไม่าจะเป็นเคันาสัญญาสังขารวิญญา เราก็จะหวังมันเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้ตามคามเป็นจริงว่ามันไม่แน่นอนนั้นเราไม่ต้องหวังแต่เป็นที่มันแน่นอนคือมันต้องตายหวังได้เลยหวังใจได้เลยว่าความตายมันต้องเกิดขึ้นจะมันจะเกิดเมื่อขึ้นกับเราเวลาไหนเราจะออกจากมันไปเวลาไง ที่ใดจะได้อาการอย่างใดเราก็ยังคิดถึงสิ่งนี้ไม่แจ้งนัดก็เราไม่จะเกิดสังารแล้วก็ไม่มีญาณอย่างรู้แต่เรารู้ตามตามเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้มันเกิดได้ ที่กระโดดตะโกนหลวงพ่อเราจะได้ยินด้วยตังบ่อยคือสุดเรื่องนี้บ่อยมากที่ท่านพูดบ่อยมากที่ท่านสป็นท่า น, นาธรรมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็จะต้องเป็นนี้บ่อยก็เพราะอะไรก็นเป็นตามเป็นจริงที่เราต้องเจอ ก, กันทุกเวลาหรือว่าทุกขณะจิตก็ได้เราจะไปหวังใจมันไม่ได้เลย ว่าขันห้ามันจะดีมันจะต้องให้เราได้มีความสบายใจและอย่าหวังว่าเวลาหน้ามันจะสบายใจไม่ต้องหวังอะไรเลยจะเราสามารถจะหวังทางใจของเราให้ดีขึ้นระหวังได้ตราบใดที่เรายังไม่ทิ้งจนทางแห่งการปฏิบัติถึงตามต้นตุกตามที่องค์เสด็จพระท ร, รงสวัสดิ์โดยโสขาทรงกรั้ แนะนำเอาไว้แต่เาไม่จริงนะเราหวังใจได้ว่าตัดํานหนึ่งใจเราต้องดีขึ้นแบบนี้เราต้องเข้าใจสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจกว่านี้เราต้องได้รับความจกจิ่งไปที่เป็นในปัจจุบันในวันใดวันหนึ่งและเราก็ผ่านเวลาอย่างนี้มันม น, นานๆต้องบอกวัานนานนะักเชื่วเป็นอาสงไขกะ หลายอารมณ์ไขที่ผ่านมาจะการฝึกฝนจิจจจตใจของเราจะได้พบองค์พระธรรสมาสาพระปัจจาองเล้าองเล่าพระอรอัน์นักไม่ถ้ยนได้ยินด้ตังวระธรรมเถรนานั้นๆอย่างนี้ต้องด้ยว่าจิตมีจะคาบกันมันคงจังนั้่นแล้ว ก็ราะทุกคำสอนที่พระพุทธเจ้าสารพระองค์ตร ง, ตรงแสดงพระธรรมเทศนานก็ไม่ได้มีในไรแตกต่างกันไปพาาระาอารหันต์ทั้งหลายและพระอริอาอารยะสาวกขององค์สเสด็จพระบรมมครูก็แนะนําสิ่ง น, นี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไปท่านเธอทุกค น, นะเป็นผู้ที่รู้มาก ก็กล่าวอย่างนี้ก็ต้องถูกเป็นผู้ที่ได้ยินโดยต่ามบามากก็ใช่เป็นผู้ที่ได้ตพระพุทธเจ้าหลายหลายเท่าอมมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นพราะพระอาหารหันต์ก็เยอะได้สว า, ายาการจากพระพุทธเจ้าได้ถว า, ายาการจากพระอาหารหันต์ก็นับครั้งไม่ถ้วนและในทางกองกันข้า จิตที่เราติดมายั่งแย่ที่มันไม่ดึงใจไปทางโกตินกับหมกมุ่นจะอากโกติสมันก็พาลราไปเป็นสัตรารกนี่ขนาดไม่คลื่นํานพาให้เราต้งมาเป็นจิตเป็นเติดเป็นอัจรากายเป็นเป็นจัตยในร่างน่าจะใชไม่ใช้คําว่าจำกันไม่ได้แล้วว่าท่าไร่ใเวล า, อานี้ แต่เวลาที่เรากําลังอาศัยสังขารในร่างกายที่ไม่ไม่มีอะไรเลยที่มันแน่นอนจัดหลักสาหรับเรานั้นนิดเดียวจะต้องมีสติแต่อนใจอย่างนี้เสมอว่าเรากําลังอยู่กับความไม่แน่นอนของสังขารเราหรือว่าใครก็สามารถจัดดับลมหายใจได้ทุกขณะ เป็น่งที่มันสร้างความแน่นอนในใจเราแน่ๆเลยที่เราไม่ต้องการปุกปุกไม่เกิดที่สุดผิดหวังก็เกิดที่จุดเร่งไม่เรื่องไม่ปูกใจตัวเองก็เกิดมากที่สุดต้องการสิ่งที่ดีที่สุดต้องการความสุขมากที่สุดทุกคนหวังอย่างนี้าการนาอย่างนี้กันตั้งนั้น แล้วมันก็ทําให้เกิดขึ้นได้นะแค่เราไปจิดอภิจายเราสนใจแตการติกคนจิตใจของเราเป็นสําคัญก็จะทําให้ใจของเรานั้นเนี่ยสามารถจะพนจัดตามพบได้และก็พบความศึกที่จุดพบสิ่งที่ปรารถนาที่สุดพบสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนเองปรารถนา นั่นคอสิ่งที่เราและเป็นไปได้แต่สังขารร่างก า, ายมันหวังไม่ได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ใจหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดตัดสิทไปเลยว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปหวังนไม่ต้องไปพวงพะวังอะไรกับมันไม่ต้องเอามามาเป็นเหตุเป็นผลอะไรที่จะทําให้เรานี่ย คงจะได้อย่างนั้นคงจะมีอย่างนี้คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วคงจะได้มีความสุขเพราะได้เห็นได้มีได้เป็นกับไอเจ้าร่างกายของเราและกับร่างกายของคนอื่นอย่าไปหวังมเลยทั้งขานมันสุกดําเนินไปตามแรงของเศษของกรรมที่หลวงพ่อจันใช้คำว่าเศษของกรรมเศษของกรรมที่เป็นเบนเศษของเบนให้ผล กฎเกิดของอกฎสัญลักษร์คือาบากให้ผลสังขารร่างกายมันเป็นประการนี้ถ้าอะไรถ้ามันไม่มีชีวิตร่างกายมันไม่มีชีวิตมันไม่มีจิตใจมันไม่สามารถจะบังคับให้เป็นประามอะไรได้มันก็ต้องเป็นประการกฎของมันคือกฎของมนะะุษล์บากแต่เราเนี่ยเราสามารถจะ บ, บังคับใจเราให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราไม่ตรามาถ้าใจของบาทมันมาครอบขุมใจเราเมื่อไร่หรือว่าใจเรามันมีกําลังน้อยยังมีปรรมาจิตน้อยมีปัญญาก็น้อยตามมัก็จะไปพัวพันกับเอะร่างกายนี้เป่นเราเป็นของของเราในร่างกายมันไม่แน่นอนร่างกายเขาไม่แน่นอนความคิดก็แปรเปรว่น ตองแต่งไปต่างๆ น, น, นานาเหตุอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้ไม่ทำไอ้นั้นจึงเป็นไอ้นี้คุณทำไม่ถูกเป็นทำผิดอย่างนี้ไม่ใช่ที่ใช่จะเป็นอย่างนี้ตามคิดมันแตกลายแหงไม่มีที่สิ้นสุดฉนั้นเธอต้องจำไว้ว่า ใจเราเนี่ยมันเกิดได้เพราะมันเป็นของของเราที่หวังผลได้แต่สังขารร่างกายเนี่ยมันหวังผลอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรมันไม่ได้มันคือสิ่งที่ต้องรับผลแล้วก็คือเกิดต้องเดลบาดแล้วก็อย่าให้ใจของเราเน่ยมาร่วมคิดไว้ว่ามันเจเราเป็นของเราอย่ามันเอาใจของเราไปคิดร่วมมันว่านี้แ่ะ คือสิ่งที่เราจะต้องหวังได้ผลรับออกมามันก็จะทําให้เราเองน่ะทุ๊กมากทกถ้าเรายึดถือว่ามันแน่นอนคิดวตัดวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นตัดวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้วันนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้สิ่งนี้ก็ต้องไม่เกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นเราต้องได้สิ่งนี้นเราต้องมีแต่แม้ใจมันหวังแล้วใจมันหวังเพราะม่คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นของจังหวัดของเรามันเป็นตัวเราแล้ว แต่ทางเราแนะนําจะต้องค่อยๆคิดตามนะค่อยๆแยกแยกมันว่าอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทํทาทมันไม่ได้ต้องให้เห็นชัดเป็เลยว่าตนะ่วไหนเราทำไม่ได้ต่วไหนเราย่างกับมันได้แล้วมีผลต่วไหนเราทําไม่ได้ไม่ต้องไปหวังผลอย่งนี้ชัเดเจนไหม แต่ต้องแย่งออกไปเลยนะว่าร่างกายเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องหวังสมมันร่างกายมันก็จะดําเนินของมันไป ต, ตามวิถีทางแห่งบุญและบาปที่ให้ผลกับมาไปตามอายุขัยของมันไปตามเจตของกรรมที่เราต้องรับจนถึงชื้อสุดเมื่อกําให้ผลก็ต้องตาย และความตายก็ต้องตายอย่างนี้นะกรร ม, มาบัง ค, ค, คับให้ต้องตายแบบนี้กรรมบังคับให้ต้องตายแบบนั้นแล้วก็ต้องเวลาตายกรรมก็มาก็ต้องตายทีนั่นที่นี่ที่นูน่นถ้าเรามีดูดุหน่อยแล้วก็นอนหลับตายถ้าดนมันน้อยกรรมันมากหน่อยเราก็คงไม่ได้นอนหลับตายก็จะไปตามตายอย่างอื่นที่เข้ามาแทนเรา ในอย่างหลวพ่อพโมโขคันลาตามตายของปัจขององท่า น, นก็ต้องสุขทุกข์ตื่นตายเห็นไหมที่เติดของกรรมนะไม่ใช่กรรมเล่นๆเป็นแค่เกิดเท่านั้นนะถ้อาอรหันก็ไม่เว้นแต่สังขารเนี่ยมันไม่ใช่ของพออาระอรหันจะสังขารมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นไปตามกฎของกรรมที่ต้องให้ผลกับมันแต่ตเราเนี่ย ไม่สามารถจะหนีกรรมได้เราหนีตามคิดที่ดึงไปปลุกตามเชื่อได้เราหนีตามคิดที่จะให้มันตกอยู่ในอำ น, นาจของความตั้งมองมได้เราหนีได้ถ้าเราเข็งแข็งนี่เราไม่ประมาในชีวิตพยายามคิดแยกๆมันกระดับไปแล้ว่ะไอ้นี่เราไม่ยุ่งสังขารเราไม่ยุ่งมันไม่แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งมันอย่าไปหวัง เราในเ้สังขารร่างกายไม่ต้องไปหวังอะไรที่มันจะเป็นไปตามที่เราพิจะะิตรเสมอแต่เราหวังใจเราเกถอแล้วทุกอย่างในใจเขาออกเนี่ยเราสามารถจะทำให้ใจอของเราดีขึ้นมาได้ทันทีไหมือนที่องค์เสพระชินาสีบริมาจาจจดาทรงแต่งสอนเราทุกคนว่าสิงที่ผ่านไปแล้วจะแลกแต่เดี๋าตามเจ้าหมอง อย่าเอาความคิดไปคิดถึงมันติดอย่าให้เราต้องหวงัวนัดไปตกมาลกติดไปหมกไม่กับตามคิดที่มันทําให้เราร่าร้อนมาในการกอดติดไม่จ้อไปดึงเลือดอาดิดไม่ต้องเรื่องดึงเดือดที่ผ่านมาแล้วไม่ต้ย้อนบทเรียนิวาจาระสจิรยานแล้วเราเอามานั่งคิดทุกข์ใจแต่จะย้อนขึ้นมาก็เป็นครูแต่ให้เราได้เห็นว่านี่เป็นคามโง่ของเราอันนี้ดี หรือว่าย้อนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้ะคิดว่าเนี่ยเราไม่น่างโง่เลยเราไม่น่าแสดงอย่างนี้เราไม่น่าพูดแบบนี้เราไม่น่าคิดอย่างนี้มันทาให้เราทุกข์และไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยดังนั้น ถ, ถ้าเราไปหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งฤทาละของบุนมันยังไม่ผล ม, มันเป็นวาระของบาปมันให้ผล มันก็ไม่นอย่งที่เราคิดบางทีเราไม่ทานจะคิดหรือไม่ได้คิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นจะบนมันให้ผมมันก็เกิดสิ่งที่ลราคาดใน่ถึงทาให้อารักในสิ่งที่เราข้ามไมถึงเออเรามีโอกาสได้รับความสุขจะรับสิ่งที่เาปรารถนากรนะจายไหงั้นจะท้แยกยัดอะไรทําได้ต้องทำ อะไรที่ยุ่มมันไม่ได้ยุ่มไปก็มีประโยชน์ที่ขันห้าต่อไปชีสังขาร่างกายยังมีอยู่อย่าไปยุ่มกับ ม, มันปล่อยมันให้เป็นไปตามกฎของธรรมดากฎของธรรมดาที่มันให้ผลเจบ็บเจ็บบนยอดบ่าที่มันให้ผลเจลาเรื่อยไปจปะหล่อเป็นแปดจะหมดลมหายใจนั่นเรายุ่มมันไม่ได้แต่จจใจของเราเนี่ยเราสามารถติดได้ต้องคับได้ คอยที่จะเปลนใจเราได้สำนึกติดเย็นใจเองได้ตั้การมันได้ยักยัม่มันคิดเชื่อด้เออมนไม่จะคิดแบบนี้อย่าทำอย่างนี้การคิดอย่างนี้มันทำเป็นทุกอย่าคิดอย่าเนิ่นิ้อย่าตามนิถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านและผ่านไปแล้วเปลี่ยนได้คอยแนะนามันได้ ถ้ามันไม่ยอมที่จะแล่ให้ใจของเราเนี่ยมันอยู่กัมันโดดเดี่ยวแลปล่อยให้มันเล่นลั่นแต่ในวัฏต่างๆโดยเราไม่ควบคุมดูแลมันเลยเราต้องคอยขันหมาดใจเราคอยดูใจเพราว่ามันไปไหนกานสึ่งที่เราทุกนมื่อนับเธยวันนี้ก็ต่างๆให้ใอแยกแยกมันไปจยกนี่าย ่เจิตนะกายเนี่ยจะร่างกายเนี่ยยึงกับมันเท่าไหร่ก็ปราประโยชน์นะปราประโยชน์มันเจ็ก็ต้องเจ็บเราหลบแล้วเลี่ยงแล้ะว่าจะไม่โดนไม่โดนมันก็ต้องโดนมันอยากเริดุกคนหลวงพ่อเป็นการเล่าให้ฟังว่าถ้ารู้นลว่าอีาสามปีข้หน้าผมจะป่วยจะเลาอะไรแกาเตรียมปกป้องไม่ให้มันเกิด แต่ก็ไม่อรอถึงเวลาก็จะเป็นไป ต, ตมามนะเป็นจนไดน้เห็นไหมเาะมันจะมีางานวิเศษว่าเบือหน้าจะเป็นอะไรขึ้นถ้าเราทำใจไม่เป็นไม่ดึงใจให้มันคน้นแต่เสียน่าจะเป็นที่เป็นกูเต็มเอาไว้และพยายามไม่ให้มันดึงเรื่องเก่เาๆมาคิด โอกาสพลาดพ้ น, นมันมีได้แต่เกิดของการเล็กเน้อยๆไปอย่างต้องรับยกตัวยอย่างคนบางคนเนี่ยมีครับถึงเวาลาที่ต้องมีอาการก็เวลาถูกกระทบร่างกายอย่างแรงๆอาจจะเจ็แรงหนักถึงขังข้นต้องเข้าหามส่งโรงพยาบาลรู้นะว่าข้ามาจะต้องเป็นอย่างนี้ ก็เลยทำบุญไว้นะต้างพระเอาไว้เพื่อไม่ให้ชีของตนตั้งตัวอย่างนี้แต่และแต่ละมันก็มีใจดำเล็กเมันน้อยคอยกระทบกระทั่งให้เจ็บให้โดอนให้เจ็บเป็นของเป็นแผลกระทบนั่กระทบนี่เจ็บนี้เจ็บนั้นก็มันไปจะบบไม่ดดนเลยไม่ได้มันจะทนฝูแต่มันไม่ถูกหนักมันอย่างที่กรรมมันจะต้องให้ผลเพราะว่าบุญ มาเชพยุงเอาไว้เหมือนกับว่าเราจะต้องไปสุกไปจนนเผาไหม้แม่เลยจะมีคนยกตัวเราให้ลอยขึ้นไปจะตารร้อนสองไปเรายังต้องรับมันจะร้อนแสกเฉียดแต่เราไม่ไห ม, ไม้ไม่เกรียนกัน้นแต่มันแตกมากไม่เกินแล้วก็ถุกยกผ่านไปผ่านกองนี้ไปผ่านกองกนั้นถ้าเรามาไม่เห็นไฟข้างหน้าและเราไม่คิดจะทําอะไรให้เกิดกุศล เอาจำนวนมาชีวิตแต่ ว, วันวันด้วยตามประบาะเจอก็เจอเป็นๆตกไปในหลงกองไปเอยภายในสันใดริงที่มาเป็นธรรมดาก็เรียกว่ากฎของธรรมดาอย่างนลยคือสังขารร่างกายมันเป็นแ ต, ตามเลษของกรรมจำไว้ น, mm hmm. นะคันห mm ้า hmm. ตุ๊ดันเงินเป็นตการเศษของกรรม อานห้าไม่ใชะควรู้จะมีเวอนาคืออารมณ์มีสัญญาติอความันมีสังขารสิอคามคิดตรงต่มีวิญญาณป็นที่รับรู้ทั้ห้าตัวเนี่ยมันร่วมด้วยแปรตรวเปลี่ยนแปลงจะตาอนนานาจเจของบุญษล ะ, ะบาตลอดเวลาจนก่าจะบมดอายุไข แต่ใจของเรามันไม่มีวันหมดอายุไขจะเกี่ยวพกเกี่ยวาเจี่อาสงไขมันก็ยังติดตามเราไปตลอดเป็นหาเราอบรมต่างๆจมันมากเท่าไหร่เราก็จะได้มากเท่านั้นจากคนอยากหยาดที่อบรมต่างใจมากๆกลายเป็นคนละเอียดที่มีคามเชื่อะไรที่ละเอียดถุกคุมรอบคอบมากขึ้นมีการยักยันชั่งใจมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้น แต่คนไม่ได้ผ่านสิวงนี้มาไม่ถุกต่อจำังตอนไม่ไม่ไมจักขัดกายจิตใจที่จะทำาจให้ให้ดีขึ้นก็ปล่อยนะถ้านึ่งก็ปล่อยาสองกปลอยถาสามก็ปล่อร้อยถากันถ้าล้าน้าก็ปลอยทีสองข่ก็ปล่อนะมันก็เหมือนเดิมยังทุกเท่าเดินคือทุกเหมือนที่เคยทุกนะ ฉันขอให้เธอจดจำเลยนะแยกมันให้ขาดแค่รู้จักวันนี้ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสนใจมันไม่เที่ยงสังขารเป็นของไม่เที่ยงการตายเป็นของเที่ยงคือคันห้ามมันตายนะแน่ร่างกายตาแนะ่เราหวังได้เลยว่าแต่เราไม่รู้เท่านั้นว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เป็นใจของเราที่ไม่เจ่รางการ เราต้องหวังผลไอวันที่จะเกินเป็นมากๆนะเพ่งโทษาจบความติดสังคมไว้ให้มากเพื่อให้ใจพัฒนานะดีวันดีคืนถ้าเราคิดว่าดีเสร็จแล้วมันไม่ทำต่อคิดว่าสิทมันรู้แล้ ว, ลวมันก็ไม่คิดพิจารณาต่อไม่ทุบค์เงไม่พยายามจะนึกนึกถึงสิ่ ง, งที่เราเข้าใจรอเลื้ยงใจลายพ้ น, น, นจากความทุก เประยะระยะไปนั้นถ้าเรามาประมาทแบบนี้นะมันไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทก็บสิงที่ตนเองรู้แล้วคิดว่ามีรู้แล้วดีแล้วเข้าใจดีแล้วเราทําได้แล้วไม่ต้องคิดมากแค่นี้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องง่ายๆถึงเวลาทําได้ประมาทเกนไป อย่คิดเช่นนั้นนะสังขารเป็นของไม่แน่นอนจงไว้การมันเข้ามาหาเราทั้งทางกายทั้งวาจาแล้วก็ทั้งทางใจมันสามารถจะชลประโลมใจของเราเมื่อเราตำมาดทุกเวลาวันนี้จะขอแสดงให้เห็ด้วยข้าใจและจะ เ, เรื่องนี้ ขอให้ทุกคนจงได้ละลึกลงถิงคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ที่ทรงโปรดแม่ตาสงเคราะห์ใหเราได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติเดิมาฟัาางสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนเอาไว้ทำให้เราได้ลนุษย์ชาในการที่จะคิดที่จะพิจารณาที่จะนำพาไปของเราให้ออกจากทุกข์พ้นจากแดนการเยมได้ไปเกิดไป อย่างนั้นยเราก็จะไม่จิ้งเรื่องศีลศีลจะต้องไม่จริ้งจากใจเราไปโดยจากนั้นเราก็จะไม่จิ้ง ต, งม า, ตง า, มามระมัดระวังคือดูแลจิตใจของเราไว้อย่าให้มันคิดเชื่อหรือจะให้มันคิดจะเพ่งโทษเ่ิดความผิดของใครต้องหันมาเพ่งโทษเกิดคามผิดของตนอย่างเดียวอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราในยังมีที่พึ่งจะมีพระพันล้านใจเป็นที่พึ่งของใจเราอยู่ ตรงไหนตรงชื่อตามดีที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติขนาดคือที่ขึ่งทำทั้งหลายที่พระพรุทธเจ้าโดยสรงบิกส่งพระนั่นคือที่ขึ้นของเราพระอริยะสงฆ์ท่ า, อ า, อานไหนที่ท่านสอนแล ะ, ะท่านสานเข้าใจแห่งธรรมทั้งหลายมาแยกแยะแจกจ่าให้เวลาได้ยินได้ฟังทำเหล่านั้นนั่นคือที่ขึ้นของเร า, าพระพุทธเจ้าประเสริฐขึ้นทำต้อ ง, งบูชาทำต้องยกทำและเป็นสิ่งที่สูงสุด นักข่าวเจ้าทุกคนก็จงแนบตาที่ตาเบียดตามแรงเรื่องพระทุกคนณ า, านนบาทพระอ ง, องะะค์เด็พระบรมลมนโลกกันหน้คือเราอาบากจุดเดือกันมามีนักปู่การและปานนงโคงมีประดับประคุณหลวงพ่อราชสมบยางและพระฤกษกราบขอบคุณท่านทาั้งหลายที่เป็นเจ้ดาด่างดังตาที่ทาา่านอนุอครอบน้องค้อขึ้น่เหลือเกินให้เราได้มีความสุขและมาได้ปฏิบัติ ท, ที่นี่มาได้แล้แลามสุดสบาย กาไมำใจเจือเราท่า น, านคงขับปางให้ใจเราได้สึกไม่สบายใจแล้วก็มีม เ, เรื่องเราเดือดร้อนมากมายเจนี้ทุกสงที่ใหญ่ท่านจะพยายามคอยตรวจคอยดูแลคอยอวยใจคอยตกทอดไม่เราเกิดโทษเกิดอันตรายพยายามให้ใจพวกเราอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลท่านพยายามทำอย่างมากจนที่เาได้ทำกันสอวันผ่านมาจะขอท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าดานังฟ้าและท่านที่มีพระคุณนักสถานที่นี้ก็ดี ท, ท่านจะเปนเจาเวลานางฟ้าที่เป็นข้อเป็นแม่หยุสดสวทุกทุกั้นกระตามและแม่พระท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายพรและพระอริยทั้งหมดขอท่านมาโปรดสงเคราะห์มาเริ่มอนุโมทนาในบุญที่ต้าขอไปาทั้งหลาย่ตั้งเจรนาฏทฤษีบัตธรรมมาจะเป็นตัวอธิษฐานระสนกันนะ